ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อว่าวันรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบราาูรณาญาสิทธิราชหรือจะเรียกอีกอย่างว่าราชาทิปตยก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อพูดถึงการปกครอง ก็จึงอยากจะอธิบายคำว่าปกครองเพิ่มเติมสักเล็กน้อยคำว่าปกครองนั้นประกอบไปด้วยศัพสองคำคือคำว่าปกและคำว่าครองคำว่าปกก็มีความหมายถึงการแผ่ออกคลุมบื้องบนเพื่อให้ความหมายดูชัดเจนมากขึ้นก็จึงขอยกคำศัพที่เป็นคำพ้องความหมายมาแสดงไว้พอเป็นสังเกตเช่นคำว่าปกคลุม ซึ่งก็หมายถึงการแผ่ออกและคลุมไว้เป็นต้นส่วนคำว่าครองนั้นก็มีความหมายถึงการถือเป็นเจ้าของหรือการถือสิทธิ์ฉะนั้นถ้าผู้ใดมีสิทธิ์หรือถือซึ่งการเป็นเจ้าของในสิ่งใดผู้นั้นจึงชื่อว่าผู้ครองอย่างเช่นคำว่าครองราชก็หมายถึงการถือสิทธิ์ในความเป็นพระราชาซึ่งความเป็นพระราชานั้นก็คือการได้รับสิทธิ์ความเป็นใหญ่ในแวนแควน เป็นผู้คลองแว่นแครนหรือประเทศฉะนั้นพระราชาจึงเป็นผู้ถือครองซึ่งประเทศมีสิทธิขาดในทุกสิ่งในประเทศนั้นถ้าพระราชาเมตตปกหรือคลุมไปถึงส่วนใดแผ่นดินใดแล้วส่วนนั้นหรือแผ่นดินนั้นก็เป็นอันพระราชาองค์นั้นเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินต้นไม้ภูเขาแม่น้าเรือสวนไรนา หรือประชากรที่อาศัยแผ่นดินนั้นอยู่ล้วนอยู่ภายใต้การถือครองของพระราชาองค์นั้นส่วนการจัดการบริหารประชากรและทรัพยากรภายในเว้นแคว้นให้เป็นไปได้อย่างดีก็จำต้องมีกฎระเบียบข้อประพฤติให้ทุกคนที่อยู่ภายในเว้นแคว้นนั้นได้ปฏิบัติตามซึ่งกฎระเบียบข้อประพฤติเหล่านี้ก็เป็นอันที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนั่นเอง ฉะนั้นในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชาจึงเป็นผู้มีอำนาจสิทธขาทั้งปวงที่จะปกครองทุกสิ่งที่อยู่ภายในแว่นแคว้นของพระองค์โดยมีกฎหมายหรือระเบียบข้อประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือบริหารให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อมีผู้ประพฤติขัดกับระเบียบหรือกฎหมายที่ส่งวางไว้ อันเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในสภาวะความเป็นอยู่ร่วมกันพระราชาก็ทรงมีอำนาจเต็มที่จะทรงบริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงโทษเบาหนักหรือถึงขั้นประหารชีวิตล้วนอยู่ภายใต้พระราชอำนาจทั้งสิ้นอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ประเทศของเราก็ได้เปลี่ยนระบอบ ก, การปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือประชาชนเป็นใหญ่ อำนาจการปกครองประเทศนั้นจากเดิมที่เคยเป็นของพระราชาเพียงองค์เดียวก็เปลี่ยนมาเป็นของประชาชนแต่ทั้งนี้ประชาชนทุกคนก็ไม่สามารถที่จะบริหารปกครองประเทศได้พร้อมกันทุกคนฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวแทนของประชาชนมาทำหน้าที่ปกครองหรือใช้อำนาจที่จะบริหารประชากรและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประโยชน์ต่อประชากรทั้งหมด ก่อนที่จะว่าถึงเรื่องการปกครองต่อไปก็จะขอพูดถึงคำว่าประเทศซะก่อนประเทศนั้นก็ต้องมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีและอีกส่วนที่สำคัญก็คือมนุษย์หรือคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งถ้าขาดมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นใจแผ่นดินนั้นก็หาได้เป็นประเทศไม่ เหมือนกับดินแดนรกร้างว่างเปล่าที่ไม่มีคนอาศัยแถบโคโลกหรือมหาสมุทรทั้งหลายเราก็ไม่เรียกดินแดนเหล่านั้นว่าเป็นประเทศเพียงแต่ตั้งชื่อให้พื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้เข้าใจกันฉะนั้นการที่จะเรียกว่าเป็นประเทศได้ส่วนสำคัญจริงๆก็คือประชากรและเมื่อพูดถึงการปกครองประเทศ หลักใหญ่ใจความจริงๆก็คือการปกครองประชาชนสิ่งต่างๆที่เรามีใช้กันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องถนนขนทางต่างๆรางรถไฟที่ต้องเจาะทะลุภูเขาระบบไฟฟ้าระบบการประปาและอื่นๆอีกมากมายล้วนมาจากฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นแต่มนุษย์เพียงคนเดียว ไม่สามารถที่จะสรรสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เลยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและกำลังคนจำนวนมากเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จขึ้นได้และการที่จะใช้คนจำนวนมากๆให้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นผู้ที่ถือสิทธิในการปกครองประเทศจะเป็นพระราชาก็ดีหรือบุคคลที่ได้รับการเลือกจากประชาชนก็ดีก็มีอานาจที่จะสั่งบังคับให้คนทั้งหลายปฏิบัติตามคาสั่ง แต่การใช้อำนาจสั่งบังคับเพียงอย่างเดียวยังขึ้นชื่อว่าเป็นการปกครองที่สุ่มเสี่ยงอยู่มากเพราะธรรมดาของคนนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือกายกับใจการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่สั่งให้เขาทำโน่นทำนี่นั้นก็เป็นการสั่งบังคับให้กายทำเท่านั้นบางครั้งใจของผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่คล้อยตามกับคำสั่งก็เป็นไปได้ ซึ่งการปกครองโดยใช้อำนาจสั่งการโดยไม่คำนึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงานนั้นก็เปรยียบเหมือนกับการขี่ม้าที่ไม่ได้สวมบางเหียนคือสามารถให้ม้าพาเราไปที่ไหนไหได้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการตกและไปผิดทางอยู่แต่การที่ผู้ปกครองคนใดที่สามารถที่จะปกครองใจของคนที่ทำงานให้เราได้นั้นก็ขึ้นชื่อว่าปกครองได้อย่างสมบูรณ์อำนาจหน้าที่ที่มีนั้น เมื่อจะใช้ก็ใช้ในลักษณะที่ไม่ต้องสั่งบังคับแต่เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเมื่อคนมีใจที่จะทำงานให้แล้วงานนั้นก็จะสํเร็จผลได้อย่างดีถ้าเปรียบเป็นตัวอย่างที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่ก็เหมือนเราได้สวนบางเหยียนไว้ที่ปากของม้าได้แล้วซึ่งผู้ที่ขี่ม้าก็ขี่ได้อย่างปลอดภัยที่ได้กล่าวมายืดยาวนี้ ก็เพียงเพื่อต้องการจะบอกกับท่านสาธุชนทั้งหลายว่าคนเรานั้นประกอบไปด้วยกายกับใจและจุดใหญ่ของความเป็นคนก็อยู่ที่ใจการงานอันใดก็แล้วแต่ถ้าใจไม่มีส่วนในงานนั้นๆแล้วก็สำเร็จได้ไม่ดีหรืออาจพังเสียหายได้ดังพุทธภาษิต ท, ที่มาในกุตกนิกายสุตตนิบาตว่ามนโนุพพังก็มาธรมามโนเสรษมนโนมายา มีใจความว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วนวยใจฉะนั้นผู้ปกครองที่ดีจึงไม่ควรใช้เพียงแต่อำนาจหน้าที่ที่ตนมีเท่านั้นเพราะนั่นเป็นเพียงแค่การครองแต่กายยังไม่สามารถครองเข้าไปถึงจิตใจของคนได้แต่ผู้ปกครองที่ดีก็จะต้องครองเข้าไปที่ใจของคนเมื่อขึ้นชื่อว่าครองใจได้ก็เป็นอันว่าผู้นั้น จึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปกครองได้อย่างแท้จริงแล้วการที่จะครองใจคนได้นั้นต้องทำอย่างไรธรรมชาติของใจคนเป็นธรรมชาติที่ต้องการความรักต้องการที่จะถูกรักมีเพื่อนก็ต้องการให้เพื่อนรักมีครอบครัวก็ต้องการให้คนในครอบครัวรักอยู่ในที่ทำงานก็ต้องการให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานรักยิ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนจานวนมากๆอย่างหัวหน้างาน หัวหน้าองค์กรหรือผู้ปกครองประเทศด้วยแล้วเมื่อมีคนรักจำนวนมากจะไหว้าวางให้ใครเขาช่วยทางานอะไรให้ก็เป็นอันว่าเขาช่วยทางานอย่างเต็มใจคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วเราจะทำความรักให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราได้อย่างไรมีโครงอยู่สองบทที่โบราณอาจารย์ท่านได้ผูกไว้เป็นเงื่อนเป็นแนวทางที่ดี ให้เราจะสามารถนามาใช้สร้างความรักให้เกิดขึ้นได้โครงบทที่1ว่าดังนี้ถึงไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาและบทที่สองว่าถึงเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าจากโครงสองบทนี้ชี้เห็นว่าความเอื้อเฟื้อเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความรักถึงแม้ไม่ใช่ญาติกัน แต่ถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อให้กันไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติอาตมาภาพเองก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายๆคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่กำลังคิดว่าจะมีคู่เหตุผลอันหนึ่งที่คนเลือกที่จะมีคู่นั้นก็คือว่าเมื่อเวลาที่ตนถึงวัยชราแล้วก็จะได้มีคนคอยอยู่ดูแลไม่ว่าจะเป็นคู่ของเราเองหรือลูกหลาน ซึ่งเหตุผลนี้ก็เป็นความจริงที่เราเห็นกันอยู่ว่าเมื่อเราแก่ตัวลงเราก็จะมีลูกหลานคอยดูแลเราเมื่ออยากแก่เท่าแต่ก็มีความจริงอีกส่วนหนึ่งที่คนเรามักจะมองข้ามไปนั่นก็คือมีส่วนหนึ่งของคนที่มีครอบครัวแล้วเมื่อตนอยู่ในวัยชาราก็ไม่มีลูกหลานหรือใครคอยดูแลถูกปล่อยทิ้งไว้เพียงลาพังฉะนั้นความคิดที่ว่าเรามีครอบครัว มีลูกมีหลานแล้วจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อยามแก่เท่านั้นก็ไม่จริงเสมอไปปัจจัยหลักที่สร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นนั้นก็ตามโครงที่ท่านได้ผูกไว้ซึ่งก็คือความเอื้อเฟื้อนั่นเองโดยธรรมชาติของการมีครอบครัวนั้นพ่อแม่ก็มีความเอื้อเฟื้อให้กับลูกทุกๆด้านอยู่เป็นปกติฉะนั้นความรักความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกและลูกมีให้กับพ่อแม่นั้นจึงเกิดขึ้น จึงเป็นธรรมดาที่เมื่อเรารักใครแล้วการดูแลเอาใจใส่ก็มีในทุกการทุกสถานแต่ในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้เอือ้อเฟือลูกหรือมีความเอือ้อเฟือแต่ไม่สามารถทำความรักให้เกิดขึ้นได้ความเอือ้อเฟือที่ลูกจะมีตอบกลับนั้นก็เป็นอันว่าไม่มีเป็นญาติกันแต่ก็เหมือนเป็นคนอื่นแต่ถึงแม้จะไม่ใช่ญาติพี่น้องร่วมสายเลือด แต่ถ้าเรามีความเอื้อเฟื้อให้กันแล้วความรักความผูกพันที่มีขึ้นนั้นก็จะทำให้คนที่ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติมีเรื่องเดือดร้อนก็พยายามช่วยเหลือไม่ดูได้เวลาแก่เท่าก็จะมีคนเหล่านี้แหละที่อยู่กับเราคอยดูแลเรานี่ก็ยกตัวอย่างออกไปไกลจากเรื่องการปกครองสักหน่อยแต่ก็อยากชี้ให้ทุกท่านได้เห็นว่าเวลาคนเรามีความเอื้อเฟื้อให้กันแล้ว ความรักความผูกพันจึงมีขึ้นในใจเมื่อใจผูกกันไว้ได้แล้วก็เป็นอันว่าเราได้ทําการครองใจไว้ได้ซึ่งความเอื้อเฟื้อนั้นก็เป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่นักปกครองทุกคนจะเป็นต้องมีเพื่อที่จะครองใจผู้คนนอกจากความเอื้อเฟื้อแล้วทานะคือการให้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความรักให้เกิดขึ้นได้มีพุทธภาษิตกล่าวถึงการให้ไว้ว่า ดะมโนปิโยโหติแปลความว่าผู้ให้ ย, ย่อมเป็นที่รักธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ดำรงอยู่ได้อย่างเช่นเราต้องพึ่งน้ำพึ่งอาหารเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นไปได้ไปต้นฉะนั้นเมื่อมีความต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น แล้วมีบุคคลไดที่สามารถที่จะให้ปันในสิ่งที่ต้องการนั้นได้ความประทับใจความซาบซึ้งใจก็จะเกิดขึ้นในดวงใจของบุคคลที่ได้รับสำหรับบางคนอาจจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการให้ว่าเป็นการเสียประโยชน์ตนแต่ถ้าเราแปลสับคำว่าฐานะให้ครอบคลุมอีกสักหน่อยจึงควรใช้ความหมายว่าให้ปันหมายถึงให้ในสิ่งที่เรามี มีพอมีเหลือจึงปันให้เมื่อแปลศัพท์คำว่าทา น, นะแบบนี้แล้วการให้ปันก็ไม่ได้เป็นการเสียประโยชน์สถทีเดียวเพราะเราให้ในส่วนที่เรามีพอมีเหลือเราจึงปันส่วนที่เหลือหรือเปลี่ยนส่วนที่เหลือนั้นให้กลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างคนสมัยก่อนทำแกงหม้อใหญ่หม้อหนึ่งกินกันทั้งบ้านก็ไม่หมดจึง นำไปแจกจ่ายแบ่งปันเพื่อนบ้านทุกท่านทราบหรือไม่ว่าแกงหม้อ น, นั้นจะมีรสชาติพิเศษกว่าแกงที่เขาทำกินกันเองในบ้านรสชาติแกงที่ไม่ใช่เพียงแค่ถูกต้องที่ลิ้นเท่านั้นแต่รสชาติของแกงหม้อ น, นั้นมันจะลงลึกไปถึงจิตใจของผู้ทานทีเดียวสิ่งที่เขากินนั้นไม่ใช่เพียงแต่แกงแต่เขากินน้าใจของผู้ให้เข้าไปด้วยฉะนั้นแกงที่เราได้ให้เขาไปนั้นมันอาจจะเปลี่ยน ไปเป็นอาหารที่เขาจะนำมาให้เราในคราวหน้าหรือเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือต่างๆที่เขาพอจะช่วยเหลือเราได้สำหรับนักปกครองแล้วนอกจากการให้ปันวัตถุสิ่งของแล้วความรู้ก็เป็นสิ่งจะเป็นที่นักปกครองทุกคนจำเป็นต้องให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนเพราะวัตถุสิ่งของนั้นเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปแต่การที่ให้ความรู้นั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของคนให้มีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนอกจากความรู้ที่จะให้เพื่อดารงชีพแล้วสิ่งที่นักปกครองที่ดีจำเป็นต้องให้และต้องทำให้เกิดขึ้นกับผู้อยู่ภายใต้การปกครองนั้นก็คือคุณธรรมและจริยธรรมสังคมใดก็ตามที่มีนักปกครองที่เน้นแต่การพัฒนาแต่ความเจริญทางด้านวัตถุโดยไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนา คุณธรรมภายในจิตใจของคนภายในประเทศแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นในที่สุดคำถามหนึ่งก็จะมีขึ้นว่าในสังคมเราก็มีกฎระเบียบที่คอยควบคุมให้ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพออาตามาก็ขอเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเรามีมีดทาครัวเล่มหนึ่ง ถ้าเราใช้มีดเล่มนั้นตามวัตถุประสงค์คือเอาไว้ทำอาหารก็จะเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่ถ้าเราเอามีดทาครัวเล่มนั้นไปใช้ฆ่าคนแล้วความเดือดร้อนเสียใจก็มีตามมากฎหมายที่เรามีนั้นถ้าเราใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์เดิมแล้วก็จะดีมีประโยชน์จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ใช้กฎหมายนั้นก็คือคนซึ่งถ้าคนใช้ไม่มีคุณธรรมกากับแล้ว ก็นำไปใช้เพื่อเบียดเบียนคนอื่นๆได้ฉะนั้นคุณธรรมภายในจิตใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆสังคมและคุณธรรมอะไรบ้างที่ทุกคนจําเป็นต้องมีก็ขอแก้ว่าคุณสมบัติของความเป็นคนที่ปกตินั้นก็มี5ข้อได้แก่มีความเป็นปกติไม่ฆ่าไม่ทําร้ายหนึ่งมีความเป็นปกติ ไม่ลักทรัพย์ช่อโกงของคนอื่นหนึ่งมีความเป็นปกติไม่ประพฤติผิดในกามหนึ่งมีความเป็นปกติไม่พูดปดไม่พูดเพริรเจอร์ไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบหนึ่งมีความเป็นปกติไม่ดื่มสุราและมีะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งฉะนั้นหิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงต่อผลของความชั่ว จึงเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีในคนเพื่อที่จะสามารถดำรงความเป็นปกติของคนเอาไว้ให้ได้พูดมาถึงตอนนี้ก็ได้เพียงแค่นำเสนอความเอื้อเฟื้อและฐานะคือการให้ปันอันเป็นวิธีการที่จะทำให้คนรักและครองใจเขาได้เท่านั้นอีกส่วนที่สำคัญของการปกครองต้องจากครองใจคนและความรู้ความสามารถในการบริหารงาน คุณธรรมภายในใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ละเลยไม่ได้แล้วคุณธรรมอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับนักปกครองเพราะวิหารสี่อันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นคุณธรรมที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเมื่อพูดถึงเรื่องการปกครองอนามภาพก็อยากที่จะนำเสนอหัวข้อธรรมะอีกหลายข้อที่จาเป็น แต่ท่านสาธุชนทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือเคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่แจ่มชัดนักศัจจคือความจริงก็เป็นข้อแรกที่อาตมาภาพคิดว่าจําเป็นสําหรับนักปกครองที่ดีทุกคนศัจจานั้นมีคุณลักษณะสองอย่างในตัวนั่นก็คือจริงและตรงสัจจคือจริงนั้นเมื่อเข้าไปอยู่ในตัวของผู้ใดผู้นั้นก็จะเป็นคนจริงคือ ทำจริงพูดจริงคือพูดอย่างที่ทําทําอย่างที่พูดและไม่ว่าจะพูดก็ดีทําก็ดีนั้นก็จริงอย่างที่คิดและอีกคุณสมบัติของสัจจานั้นก็คือตรงคือตรงต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายคนของเรานั้นมีได้หลายๆสถานะเช่นเป็นลูกของพ่อเป็นสามีของภรยาเป็นเจ้านายของลูกน้องเป็นเพื่อนของเพื่อน เป็นต้นเมื่อเราอยู่ในสถานะใดก็ต้องปฏิบัติให้ตรงต่อหน้าที่ในสถานะนั้นๆเช่ น, นเราเป็นพนักงานขายของแต่เมื่อภรยามาซื้อของในร้านเราก็ลดราคาให้เป็นพิเศษหรือซ้ําร้ายคือนําของในร้านให้ภรยาไปโดยไม่คิดเงินทั้งนี้การที่เรานําสถานภาพของการเป็นสามีของภรยา มาใช้ตอนที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขายนั้นก็ไม่ตรงต่อหน้าที่ซึ่งการทำอย่างนี้ก็เป็นพนักงานไม่จริงทำงานก็ไม่ตรงคือไม่ตรงหน้าที่ที่ได้รับมอบฉะนั้นการแยกแยะสถานภาพและใช้ให้เหมาะสมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญจากตัวอย่างที่ยกมาสถานภาพของการเป็นสามีและภรรยานั้นก็ต้องใช้หลังเวลาเลิกงาน ในเวลางานนั้นก็ใช้สถานภาพเพียงแค่พนักงานขายและลูกค้าเท่านั้นจึงจะถูกตรงถูกต้องเมื่อพูดถึงการเป็นนักปกครองแล้วสัจจะคือเป็นจริงและเป็นตรงจึงสำคัญมากเพราะอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบมานั้นสามารถให้ประโยชน์เมื่อใช้จริงตรงและถูกแต่ถ้าใช้ไม่ถูกตรงแล้วก็จะเกิดโทษ เป็นวงกว้างต่อสังคมจาคะคือการสละก็เป็นคุณธรรมสําคัญอีกข้อหนึ่งเช่นกันศราท์ว่าจาคะส่วนมากเรามักจะสับสนกับฐานะฐานะคือการให้ปันนั้นท่านเน้นถึงการสละสิ่งของภายนอกส่วนจาคะคือการสละท่านเน้นลงไปในถึงอารมณ์ในใจในการบริหารงานหรือการปกครองคน เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องเจอเรื่องกระทบอารมณ์มากมายเมื่อใจดวงใดสามารถทำให้จาคะเป็นคุณสมบัติในใจดวงนั้นได้แล้วใจดวงนั้นก็จะสามารถที่จะสละหรือปล่อยอารมณ์เสียๆที่มากระทบใจหลูกได้แต่ถ้ายังสละไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องข่มเอาไว้ข่มนั้นก็หมายถึงห้ามไว้หยุดไว้ ซึ่งการจะห้ามหรือหยุดได้นั้นกระบวนการของการพิจารณาไตรตรองก็ต้องใช้ควบคู่ไปกับการห้ามการหยุดเพราะมีเหตุผลอันสมควรใจจึงจะห้ามหรือหยุดอารมณ์ที่เสียๆที่กำลังเกิดขึ้นเอาไว้ได้เมื่อห้ามหรือหยุดไว้ได้แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นจากคะคือสละอารมณ์เหล่านั้นออกจากใจเสียได้แต่ถ้าห้ามไม่อยู่ หรือหยุดไม่ได้แล้วขันติคือความอดทนอดกลั้นก็เป็นปราการด่านสุดท้ายที่มีให้ใช้คำว่าอดทนอดกลั้นก็ประกอบไปด้วยสับอยู่3คํคำคืออดทนและกลั้นอดนั้นก็หมายถึงอดที่จะไม่ให้ใจเราไปสวยอารมณ์เสี ย, สยที่เกิดขึ้นทนก็คือทนไม่ให้ใจไหลไปตามอารมณ์ที่กาลังฉุดกระชากให้เราไปคิด พูดทำตามอำนาจของอารม์นั้นและกลั่นก็คือกลั่นที่จะไม่ให้อารมณ์ไม่ดีอันนั้นหลุดออกมาทางคำพูดและกริยาท่าทางเมื่ออดทนได้พร้อมทั้งมีการใคร่ครวญพิจารณาให้เห็นถึงเหตุถึงผลและวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออกได้จากที่เราจะต้องอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบใจเหล่านั้น ก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาและปล่อยวางลงได้เมื่อพูดไปถึงตอนนี้อัธรรมภาพก็ได้พาท่านไปทำความเข้าใจกับกระบวนการการปกครองหลักสำคัญของการปกครองก็คือต้องครองใจคนที่อยู่ภายใต้การปกครองให้ได้อีกทั้งวิธีที่จะสามารถครองใจคนได้โดยสร้างเอื้อเฟื้อให้เกิดขึ้นและฐานะคือการให้ปันให้ทั้งวัตถุสิ่งของ และให้ทั้งคุณธรรมมีหิริและอตตปะเพื่อที่ยังให้ประชาชนสามารถดำรงอยู่บนความเป็นปกติของมนุษย์5อย่างหรือที่เรียกกันว่าสินห้านั่นเองและมีคุณธรรมต่างๆที่จำเป็นหรือเป็นคุณสมบัติที่นักปกครองที่ดีต้องมีในตัวเช่นพรหมิหาร4 ส, สัจจะคือจริงธรรมคือความขมจากะคือการสละ และขันติคือความอดทนอดกลั้นซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นในนักปกครองคนใดได้เลยถ้านักปกครองคนนั้นยังไม่สามารถที่จะปกครองตนเองหรือพูดให้ชัดลงไปก็คื อ, อยังไม่สามารถที่จะครองใจของตัวเองได้เพราะหัวข้อธรรมต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นคุณลักษณะเป็นอาการของใจ เมื่อยังไม่สามารถเป็นนายของใจตนก็ไม่สามารถที่จะจับใจของตนมาฝึกมาสร้างคุณสมบัติเหล่านั้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจได้แล้ววิธีที่จะจับใจหรือครองใจของตนเองให้ได้นั้นต้องทำอย่างไรก่อนที่จะพูดถึงวิธีการก็ขออธิบายธรรมชาติของใจสักเล็กน้อยก่อนใจนั้นเป็นนมามธรรมไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหู ลิ้มด้วยลิ้นดมด้วยจมูกและสัมผัสได้ทางร่างกายแต่ใจก็เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ว่ามีอยู่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเองและกระบวนการทำงานของใจนั้นก็มี4ี่อย่างด้วยกันคือรับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์นั่นก็คือใจนั้นรับอารมณ์จำอารมณ์คิดอารมณ์และรู้อารมณ์ที่ได้จากรูป ผ่านาตาที่ได้จากเสียงผ่านมาทั้งหูที่ได้จากกลิ่นผ่านทางจมูกที่ได้จากรสผ่านมาทั้งลิ้นที่ได้จากสัมผัสผ่านทางร่างกายและที่ได้จากความคิดนึกปรุงแต่งเองของใจเมื่ออธิบายในลักษณะนี้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากยังไกลจากชีวิตที่เป็นอยู่ ก็จึงขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยให้พอเห็นภาพในชีวิตประจำวันของเราท่านๆในวันหนึ่งหนึ่งตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจนกระทั่งหลับไปมีกิจกรรมมากมายที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำทานข้าวทำงานไปสังสรรดูทีวีฟังเพลงคุยกับเพื่อนเหล่านี้เป็นต้นนั้นกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถย่นย่อ เหลือแค่สามประเภทคือการทำการพูดการคิดเท่านั้นซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เราทำนั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ในใจยกตัวอย่างเช่นเช้านี้ได้ทานอาหารที่ถูกใจอาหารนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่พอใจขึ้นในใจเดินทางมาฟังเทศที่วัดแต่เจอปัญหาการจราจรนี่ก็เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจที่ใจ เมื่อใจรับหรือเสวยอารมณ์ที่น่าพอใจความสุขก็เกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้ารับหรือเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแทนนี่ก็จะเห็นได้ว่าใจเราก็จะมีความสุขความทุกข์ก็จะเกิดสลับไปสลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทุกๆวันแต่โดยธรรมชาติของคนเรารักสุขและเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น และเพราะความรักสุขเกลียดทุกข์นี้เองเป็นเหตุจึงทําให้ธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลตนั้นเป็นนายครองใจของเราอยู่คอยบงการให้เราทําอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้ไปตามที่มันสั่งสั่งให้เราทาร้ายกลัน่นแกล้งคนที่เราไม่พอใจสั่งให้เราสแสวงหาทรัพย์ในวิธีที่ไม่ถูกต้องมีการลักช่อโกงเป็นต้น สั่งให้ประพฤตินอกใจคู่ครองของเราสั่งให้เราพูดโกหกพูดเพ้อเจอ้อพูดสอดเสียดพูดคำหยาบต่อคนอื่นสั่งให้เราเสพเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพื่อจะทำให้ธรรมชาติที่ชื่อว่ากิเลตนั้นมีอานาจครองใจที่ขาดสตินั้นมากขึ้นเมื่อธรรมชาตินี้จเจริญในบุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นก็ขาดจากความเป็นปกติของคนห้าอย่างดังที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อตอนตอน้นอีกทั้งคุณธรรมต่างๆมีหิริโอต ป, ปะฐานะพรมวิหารจาระธรรมะสัจจะขันติเหล่านี้เป็นตน้นไม่สามารถที่จะเกิดมีขึ้นได้เลยตราบเท่าที่นายคลองใจยังมีชื่อว่ากิเลสฉะนั้นการที่พูดว่า ต้องครองใจตนให้ได้นั้นคือการยึดอำนาจบริหารจิตใจของเรากลับคืนมาจากกิเลสนั่นเองเมื่อธรรมชาติของกิเลสนั้นมีอำนาจน้อยลงกับจิตใจเท่าไหร่คุณธรรมหรือธรรมะต่างๆก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจค่อยๆที่จะเป็นคุณสมบัติของใจได้มากขึ้นเท่านั้นแล้ววิธีที่จะยึดอำนาจคืนจากกิเลสนั้นต้องทําอย่างไรบ้างอาวุธสําคัญที่สุด ที่เป็นคุณสมบัติที่ใจทุกๆดวงมีอยู่แล้วนั่นก็คือสติมีสติที่คอยรู้เท่าทันใจของเรารู้ว่าตอนนี้ใจเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลหรือรู้ว่าการกระทาคําพูดหรือความคิดที่เพิ่งผ่านไปนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโลภะหรือไม่เมื่อรู้เท่าทันได้บ่อ ย, อยเมื่อใดที่กิเลสคอยสั่งให้เราคิด เราก็หักความคิดนั้นเสียเมื่อบงการให้พูดหรือทำเราก็หยุดได้ห้ามได้การที่จะหยุดหรือห้ามให้ได้นั้นก็จะเป็นต้องอาศัยอำนาจของธรรมะต่างๆมีธรรมะคือความข่มใจจาคะคือการสลับขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นต้นเหล่านี้ที่เราต้องพยายามสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจ แล้วการที่เราจะมีสติรู้เท่าทันใจของเราได้นั้นต้องทำอย่างไรและมีวิธีกระบวนการฝึกอย่างไรสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงได้สอนถึงวิธีการที่จะใช้ฝึกสติไว้ถึง40วิธีด้วยกันแต่ในที่นี้ก็จะขอพูดเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือวิธีการฝึกโดยระลึกรู้ลมหายใจหรือที่เรียกว่าอานาปานสติ วิธีการนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่คอยมีสติรลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลมหายใจไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ได้ยินหรือความรู้สึกว่านี่เป็นขาของเราหรือกำลังคิดเรื่องต่างๆอยู่เราก็ไม่ใส่ใจทั้งนั้นใจก็ละจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจอย่างผ่อนคลาย สบา ย, บายคำถามอันหนึ่งก็จะมีขึ้นว่าทำไมต้องลมหายใจก็เนื่อง้วยว่าใจนั้นมีหน้าที่รับจำคิดรู้ซึ่งอารมณ์เมื่อใจนั้นมาสนใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกใจจึงสวยอารมณ์ของการหายใจและอารมณ์ที่ได้จากการหายใจนั้นก็เป็นธรรมชาติอารมณ์ที่เป็นกลางๆ เมื่อใจเสวยอารมณ์นี้ไปได้อย่างต่อเนี่ออารมณ์ของใจก็จะตั้งมั่นลงที่อารมณ์เป็นกลางๆของการหายใจนั่นเองเมื่อตั้งมั่นได้แล้วอารมณ์ต่างๆจากภายนอกก็ดีจากความปรุงแต่งไปเองของใจก็ดีเป็นอันสงบระ ง, งับลงไปใจตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวคือความสงบเป็นกลางอยู่หลังจากที่ใจตั้งมั่นอยู่ได้แล้ว เมื่อใจโดนกระทบอารมณ์จากภายนอกอันเป็นเหตุให้ใจเคลื่อนออกไปจากความสงบเราจึงจะสามารถรู้ได้ว่าเคลื่อนไปทางใดกุศลหรืออกุศลซึ่งความสงบของใจที่ได้จากการเฝ้าดูรู้ลมนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำคัญในฐานะที่เป็นเกราะคุ้มครองและเป็นฐานที่มั่นของใจที่เอาไว้ต่อสู้กับนายเก่าคือกิเลสที่ครองใจเราอยู่ ฉะนั้นเมื่อเราฝึกสติจนมีกำลังสามารถตามรู้เท่าทันอาการของใจได้แล้วก็เป็นอันว่าอำนาจของกิเลสที่คอยปกครองใจของเราอยู่นั้นก็ลดน้อยลงถอยลงเปลียเป็นอำนาจของสติที่รู้เท่าทันหากอำนาจกิเลสและสร้างธรรมะให้มีอำนาจปกครองใจได้ธรรมะทั้งหลายซึ่งในที่นี้เราพูดถึงเรื่องการปกครอง ก็จึงยกเพียงพรมวิหารสัจจะธรรมจาคะคขันติเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและเป็นคุณสมบัติของใจเราได้ฉะนั้นเมื่อเราปกครองใจของเราให้ใจเราเดินไปตามคันลองแห่งธรรมหรือธรรมนูญได้แล้วจึงขึ้นชื่อว่ามีคุณสมบัติเป็นนักปกครองที่ดีปกครองตน ให้เป็นคนที่รักษาความเป็นปกติของมนุษย์5อย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วนั้นอีกทั้งยังสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนและหมู่ชนได้เมื่อมีคุณสมบัติเป็นนักปกครองตามนี้ได้แล้วการที่จะครองใจหรือทําให้คนอื่นรักได้นั้นก็ไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเมื่อเป็นที่รักของหมู่ชน ก็สามารถนำพาหมู่ชนให้มีศักยภาพที่จะปกครองใจของตนเองและดำรงความเป็นปกติของคนเอาไว้ให้ได้อย่างดีเมื่อความเป็นปกติของคนห้าอย่างมีการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนเป็นต้นมีขึ้นในหมู่ชนกลุ่มใดแล้วความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะก็มังเกิดขึ้นได้ความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่ชนเหล่าไหนหมู่ชนเหล่านั้น ก็ อ, อยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกือกูลกันความสงบสุขจึงเป็นผลที่ เ, เกิดขึ้นในหมู่ชนเหล่านั้นสมดังพุทธภาษิต ท, ที่ได้ยกไว้เป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าสุขฆ่าสร้างคัะษสร้ามกีแปลว่าความพร้อมเพรียงแห่งหมู่นำมาซึ่งความสุขสรุปความว่าวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการปกครองของประเทศซึ่ง ส่วนสำคัญของประเทศนั้นก็คือประชากร น, นั่นเองฉะนั้นการปกครองนั้นหลักใหญ่ใจความสำคัญคือปกครองผู้คนภายในประเทศและการที่จะปกครองให้ได้ดีนั้นก็ต้องปกครองให้ไปถึงใจของผู้คนเลยทีเดียวเมื่อปกครองใจคนได้ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคนภายในชาติสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ก็ได้นำเสนอถึงคุณสมบัติของนักปกครองที่จำเป็นต้องมีได้แก่ฐานะคือการให้ให้ทั้งวัตถุสิ่งของให้ทั้งความรู้และคุณธรรมแก่คนในชาติศัจจะคือจริงจาระคือการสละธ ร, รมมะคือความคมขันติคือความอดทนอดกลั้นพรหมิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหล่านี้เป็นต้น อีกทั้งการที่จะมีคุณสมบัติของคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองหมู่ชนนั้นสิ่งจำเป็นที่จะขาดไม่ได้ก็คือการครองใจของตอนเองให้ได้เสียก่อนเนื่องจากนายครองใจของคนมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นคือกิเลสซึ่งกิเลสนั้นก็ล้วนนำพาให้เราเบียดเบียนหาผลประโยชน์จากคนอื่นในทางไม่ชอบด้วยอำนาจราคาบ้างโทษสบ้างโลภะ เหล่านี้เมื่อยังมีกิเลสเป็นนายครองใจแล้วมีหน้าที่ที่จะปกครองหมู่ชนหมู่ชนนั้นก็จะไม่มีความสงบสุขมีแต่เรื่องเบียดเบียนทำร้ายกันเพื่อผลประโยชน์ของตนของตนฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งของการเป็นนักปกครองที่ดีคือต้องครองใจตนเองให้ได้เสียก่อนยึดอำนาจภายในใจให้ใจเป็นอิสระจากนายเก่าคือกิเลส และนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นนายคนใหม่ปกครองหัวใจเมื่อหัวใจของผู้ปกครองหมู่ชนเปรียบไปด้วยธรรมแล้วปกครองก็จะปกครองโดยธรรมมีธรรมะในการปกครองสร้างให้ประชาชนภายในประเทศมีธรรมในใจใช้ธรรมะปกครองใจของแต่ละคนแต่ละคนไม่เอารัดเอาเปรียบกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ไห้อภัยซึ่งกันและกันความรักความสามัคคีของคนในชาติจึงเกิดขึ้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขตามภาษสิทธิที่ได้ยกไว้แต่ตอนต้นนั้นแลที่ได้บรรยายธรรมก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง